แล้วธรรมเทศนาลำดับที่ยี่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินทไยสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าถึงวันนี้ได้เพราะบุพการีเกื้อหนุนแต่ในครั้งหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเรื่องตาปะขาวกับพระกรรมฐานเนี่ยเป็นคู่กันเลยนะถ้าว่าใครอยากจะบวชเนี่ย อย่างน้อยสามเดือนท่านให้เป็นตาผักขาวฝึกหัดอยู่นั่นนะ่ะประเคนของบ้างกับปิยะของบ้างแล้วก็ทำทางนจงกลม เ, เวลาไปเที่ยวทุโรในป่าเนี่ยก็ต้องตาผักขาวนั่นนะ่ะเป็นผู้ดูแลที่พักพาอาศัยได้หญ้าบ้างทำหลุมเออช่วมสัว่วคราวบ้างตาผักขาวทำทั้งหมดพนอะพระ ขุดดินตัดไม้ไม่ได้พระวินัยพระเนี่ยตัดไม้ไม่ได้ขุดดินไม่ได้ภิกษุขุดเองก็ดีให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปากจิตติภิกษุภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปลากจิตติสินสนของพระแต่ตามไม่จริง สินของพระน่ะกับกฎหมายเนี่ยมันใกล้ๆกันนะเอออันเดียวกันก็ว่าได้ภิกษุภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปลาจิตติคือไม่ให้ดาา้หญ้าไม่ให้ตัดต้นไม้ถ้าพระตัดต้นไม้ก็สินขาดไปข้อหนึ่งภิกษุภาคของเขียวของเขียวคือคื อ, ค อ, คอต้นไม้ภาคของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ แต่พวินัยบางข้อว่าเพิกษุขุดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปายจิติตัวนี้ต้องใช้ต้องใช้กุสโลบายตัวนี้แต่พระเนี่ต้องการอยากจะทําหลุมซ่วมใช่ไหมล่ะอยากจะทําเสาล้านปลูกกุฏิอย่างเนี้ยจะไปบอกว่า ย, ยมยมเอ้าขุดลุ่มไม่ได้เด้เไม่ได้เพราะบอกขุดได้ใช่ไหมพิกษุขุดเองก็ดีใช้ให้พู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตติพระต้องใช้กุสโลบายเหมือนกันเถอะเอ้ยย่อมเลยเราจะจะได้หลุมซ่วมตรงนี้น้าเนีบอกว่าเราจะจะได้หลุมซ่วมเหมือนกันเถอะเนี่ยแต่ไม่แต่ไม่ได้บอกให้ขุดดินเด้แต่ยังได้หลุมเหมือนกันเถอะจะทํายังไง มันติดจะเป็นหลุมขึ้นมาได้ยอโยมก็จัดการนะเว้ยนั่นแหละก็ะกทําหลุมขึ้นมาแล้วโย่อมเราต้องการหลุมตรงเนี้ยจะทําจะปลูกกุฏินะ่ะแต่ตําหลุมฝังเสาต้องการหลุมตรงเนี้ย แ, แต่ไม่ได้บอกให้ขุดดินนะอแต่โยมก็จะทํำยังไงกันก็สุดแท้แต่แต่ว่าเราต้องการหลุมเท่านั้นนะแล้วก็จบ อันนี้ก็คือพระวินัยและก็ตัวหนึ่งอีกแต่ว่าภิกษุจุดเองก็ดีใช้ให้ผู้คนอื่นจุดก็ดีซึ่งไฟเพื่อจะผิงต้องปลาจิตติเว้นไว้แต่อาพาทก็มีทางออกเหมือนกันนะเว้นไว้แต่อาพาทภิกษุจุดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นจุดก็ดีซึ่งไฟเพื่อจะผิงต้องปลายจิตติเว้นไว้แต่อาพาท อันนี้เวลาหน้าหนาวมาใช่ัหมมันหนาวมากๆพระก็บอกออ้อาพาธไม่ไหวไม่ไหวจุดจุดจุ ด, จ, ดจุดไฟพิงมาไม่ไหวแล้วมันหนาวเออเนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินยัยแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจา้าคนไม่ได้ปิดตันอั้นตู้ทีเดียวนะถ้าเราศึกษาในพระวินัยของพระพุทธเจา้าท่านก็ยืดหยุ่นเหมือนกัน แต่ว่าไม่ทำให้เอ ainsi, ิกเกเลิกหรือว่าทำให้ออกนอกรูนอกทางจจุดจะเผาที่ไหนไม่ได้พระนะวันนี้เ ป, นนนปาานเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อวานเป็นวันปีใหม่วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่สิบสี่เมษาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่วันนี้ถ้าจะว่าไป เมื่อเกือบสิบปีให้หลังแต่ลงพ่อก็จำไม่ได้โยมแม่ลงพ่อก็มาเสียอยู่ที่วัดนี่แหละโยมแม่ของหลวงพ่อมรณะภาพวันนี้แหละเพราะนั้นทางในครัวนะระลึกถึงคุณยายทําบุญอุทิศอุทิศสวนกุศลแต่คิดว่ายายคงจะไปดีของยายแล้วละ่ะเพราะยายนี่าบุญจริงๆนะรักษาศีลมาตั้งแต่ หลวงพ่อยังเป็นเด็กๆอยู่นะอายุของคุณยายและโยมแม่ของหลวงพ่อหนะึ่งอายุ9ก้าสห้าปีอายุโยมพ่ออีกอายุ9ก้าปีโยมพ่อ96โยมแม่9ก้า้าโยมพ่อเป็นพี่ชายของหลวงปู่ยำหลวงปู่ยา ม, มหาปุญโญอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร คนนั้นหลวงพ่อในฐานะหลานหลานของหลวงปู่จามแท้ๆเลยเหมือนกันถ้าหลวงพ่อเรียกลุงปู่จามเนี่ยหลวงพ่อจะเรียกว่าหลวงอาเหกันบางทีบางที่หลวงพ่อคิดสนุกขึ้นมาคนเยอะๆเดี๋ยหลวงพ่อหลวงอาหลวงอาหลวงพ่อพูดเสียงดังๆอะให้คนให้คนได้ยินเหมือนกันตามไม่จริงเป็นหลวงเลี้ยงหลวงปู่ คือเป็นน้องน้องชายของโยมพ่อท่านบวชมาแต่อายุ29เปีแต่นี้อายุ102ร้อยสองปีหลวงปู่จามก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นหลวงอานะนละวันนี้ก็เป็นวันสลดใจของหลวงพ่อวันหนึ่งคิดย้อนหลังยอมแม่ได้จากไปอายุ9 0 9หปีแต่จะทำยังไงได้เกิดแก่เจ็บตาย เมื่อท่านตายไปก่อนหลวงพ่ อ, ค, อคงจะตามหลังไปเหมือนกันนะะั่นแหะไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้แต่ถึงยังไงโ ย, โยโมแม่ก็เป็นผู้มีอุปกรณคุณสําหรับหลวงพ่ออย่างมากท่านให้ทั้งโยโมพ่อโยโมแม่ให้ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าร่างกายทุกส่วนของร่างกายของหลวงพ่อก็ได้มาจากพ่อจากแม่ เพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะนั้นหลวงพ่อทําคุณงามความดีสิ่งใดไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาทํากิจการงานที่เป็นกุศลหลวงพ่อก็น้อมจิตลานึกถึงพระคุณของพ่อแม่เออบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้ทําทุกอย่างขอให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนบุญส่วนกุศลจาก อ่าอัตมาด้วยเนะิ่จากลูกโดยเนะิ่นจากผูกฆ่าด้วยเนะิ่นคุณพอ่อคุณแม่เนะิ่ทุกอย่างที่ข่าได้ทำไปเพราะข่าได้เอาร่างกายที่ได้มาจากพอ่อจากแม่นะี่ยมาสร้างบุญสร้างกุศล <Yeah. S 1> เพราะนั้นขอให้บุญกุศลที่อัตมาได้ทําไปเนี่ยเป็นเครื่องคุณหนุนยมพอ่อยมแม่ถ้าตกทุกข์แต่ ย, ยากก็ขอขอวยพ้นจากทุกข์ ถ้ามีสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือหลวงพ่อจะต้องคิดลำลึกถึงพระคุณอยู่เสมอเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะที่เราได้ร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นแหละเราได้มาจากพ่อแม่แต่ถ้าว่าดวงวิญญาณของท่านมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปพราะว่าก้อนทุนก้อนนี้เนี่ยเราได้มาจากพ่อแม่เราเป็นหนี้เป็นลูกหนี้เราเป็นลูกหนี้ของพ่อของแม่เพราะนั้นอย่างวันนี้แหละเป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยลูกหลานทั้งหลายได้ได้ทําการทํางานในบริษัทแต่บัดนี้พวกเราได้ลา การระหว่างจุดงานก็ให้พวกเราทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้พ่อแม่ของเรานานทีพวกเราจะได้มาทำอย่างนี้ในขวัตกราเราก็มีกิจการงานเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะ ท, ทายาิโยมลูกหลานทุกคนเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้เราก็ควรจะน้อมรำลึกถึงพระคุณของ พ่อแม่ของพวกเราให้ตั้งจิตตั้งใจส่วนหนึ่งควรจะเป็นทดแทนพระคุณของพ่อแม่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า่านวาบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปกรากระก่อนเราควรจะแสดงความกระตันยูกระตกระเวทิตาอย่างไรคือบุพภะการีบุคคลผู้มีอุปกรากระก่อนกระตันยูกระตะเวทิตาเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบทำกิจโทระของท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤตตนให้สมวควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศอุทิศส่วนกุศลให้ท่านขนาดพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วเวลาทําบุญเราก็ยังน้อมกิจลําลึกถึงอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างคนจีนเขาก็ว่าไหว้เจ้าหรือว่าทําบุญ ลำลึกถึงบิดามารดาที่พ่อแม่ได้ทํากับเรามาแต่เลี้ยงดูเรามาในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ไม่ให้ปล่อยปะละเลยเหมือนกันท่านบอกว่าเมื่อท่านเพื่อพ่อแม่ลวงรับไปแล้วทําอุทิส่วนกุศลให้ท่านนะแต่ถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เหรอจะทํำยังไงอันนี้ิ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องดูแลเมื่อ ท่านมีชีวิตอยู่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบแนะอันนี้พระพุทธเจ้าเลี้ยงท่านตอบพร่ำยังไงเอท่านเลี้ยงเรามาขนาดไหนแต่เราก็ไม่ถึงแบบพ่อแบแบแม่ถึงขนาดนั้นเว้นเสียแต่ท่านเป็นอมภพึกอมภาดเราก็ต้องได้ทําเหมือนกับเราเป็นเด็กนะอพ่อแม่เราเห็นคนอื่นเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกหรือว่าเราพวกเราเลี้ยงลูกทํำยังไงพ่อแม่เลี้ยงเราก็ทําอย่างนั้นน่ะ ไม่แพ้กันนี่แหละเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกนี่แหละคือหลักของพระพุทธศาสนาขอให้ลูกหลานคณะสัตยาติโยมทุกหมู่เหล่านะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังก็ให้พวกเราสำเน็จในพระคุณเออพระคุณคํานี้เนี่ยเอในหลักของพุทธศาสนาเทิดทูลบูชายอย่างยิ่ง ในหลักของพุทธศาสนาท่าหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนะอย่าว่าบุพการีหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบมาหลายครั้งหลายหลายหนแต่พวกลูกหลานเขาคงไม่ได้ยินนีบุพการีี่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็คือบุพการีส่วนหนึ่งที่พวกเรามาวัดวาศาสนาอย่างเนี้ยรู้จักสอนให้รู้จักพระคุณ คุณค่าของศีลธรรมอย่างนี้ศึกษสาศสาสีลห้าเนี้ก็คือใครเป็นคนสอนคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้พระธรรมท่านจึงบัญญัติทำคําสอนจากนั้นพร ะ, พระสงฆ์ก็ได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่มาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าเป็นบุพการีเป็นบุคคลที่แนะนําก่อน บอกกล่าวพวกเราให้รู้จักดีและชั่วอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอันนี้คือบุพการีและบุพภ า, ารีที่สองที่เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินไทยนี่มาจากไหนเอพื้นแผ่นดินไทยนี่มาจากไหนใครเป็นใครเป็นผู้ปกป้องใครเป็นผู้ดูแล ใครเป็นผู้ประคับประงมเป็นผู้ดูแลประเทศชาติมาให้พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขขนาดนี้หรือว่าปุบ ป, ปับมันเกิดขึ้นมาเลยเมืองไทยนี่อย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั่นนะคื อ, คอบุพการีส่วนหนึ่งคือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราปกป้องรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขขนาดนี้ ก็คือใครก็คือพระเจ้าแผ่นดินเป็นหลักเป็นยุคเป็นสมัยตั้งแต่พ่อกุลรามกรามแหงพ่อขุนศรีอินทราพิทพระนเรศวรมหาราชกงศรสีอายุทยาจากมันจากนั้นมากับกงรัตนโกสิลจนถึงรัชกาลที่สี่ที่ห้าที่รักษาประเทศชาติปัานเมืองให้แก่ให้พวกเราได้ร่มเย็นเป็นทุกทุกวันนี้ถ้าไม่อย่างนั้นกับประเทศไทยอังกฤษ ฝรั่งเศสเขาจะแบ่งแม่น้ำเจ้าพยาสมัยรัชกาลที่ห้าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วท่านเป็นทุกขนาดไหนอันนี้ก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศชาติบ้านเมืองจากนั้นท่านก็ได้ตนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างรัชกาลที่สอย่างนี้ตั้งวงคณะสงฆ์ขึ้นมาคณะสงฆ์คือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยารบกับพม่า พระสงฆ์กลสัมลสายแตกเป็นกลุ่มเป็นก้อนจากนั้นก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยมีแต่เรื่องไสยศาสตร์อยู่ยงคงกับพันชาตรีในยุคสมัยนั้นพอรัชการที่สีขึ้นมาท่านก็เห็นว่าพระพุทธศาสนาควรจะทนุบำรุงจากนั้นท่านก็ได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็ได้เกิดในยุคนั้น เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะผู้สืบเนื่องยังมีอยู่แต่พวกเราไม่รู้ว่าอาจารย์ของหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นนั้นเป็นใครแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นใครก็ไม่มีประวัติประวัติศาสตร์ที่เขียนเอาไว้พวกเราก็เลยเอามาตั้งแต่สงหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นแต่ท่านก็ต้องได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ของท่านเหมือนกันจากนั้นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเป็นผู้ประกาศ เด่นดังมาตั้งแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มันจากนั้นเราก็ได้บันทึกเป็นตัวหนังสือขึ้นมาในเมืองไทยองค์หลวงตาก็ได้เขียนประวัติหลวงปู่มันจากนั้นท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากนั้นท่านก็แนะนำสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิของท่านมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่พรมหลวงปู่ต่างๆล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ อธิธาต์ของท่านก็ได้เป็นพระาธาตุให้พวกเราได้กราบได้ไวายเราได้กราบพระอริยสงสาวกทุกวันนี้ก็เป็นเพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ประครบประงมเป็นผู้ดูแลประเทศชาติมาเพราะนั้นเรื่องบุญคุณเหล่านี้พวกเราต้องคิดนะต้องคิดต้องสานึกไว้ในใจคนโบราณที่เรา ที่ท่านรักษาพระพุทธศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่รั้นรักษาประเทศชาติมาล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีอุปกรณคุณสำหรับเราถ้าเราลํำลึกถึงนะเว้นเสียแต่เราไปลํำลึกถึงทาไมลํำลึกถึงก็อย่างว่าเหมือนกันในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าผู้มีปัญญามากต้องล้ำลึกถึงพระคุณของแม่พ่อแม่ได้มากถ้าว่าผู้มีปัญญาน้อย ก่อนระลึกถึงพระคุณผู้มีผู้มีอุปกรณคุณน้อยถ้าคนโง่เช่อย่างระลึกถึงบุญคุณของใครไม่ได้เลยนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้มีปัญญาพระมหาเพราะภาษาริบุบทท่านระลึกหรือบรรยายพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดบรรยายทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี เกิดมาชาติได้บรรยายแต่ยังไม่จบพระคุณของพระพุทธจญาณเพราะเหตุไรเพราะท่านมีปัญญาอันเรื่องนั้นก็ควรจะบรรยายเรื่องนี้ก็ควรจะบรรยายเพราะพระคุณของพระพุทธญาณมากมายที่จะที่ท่านจะบรรยายเพราะเหตุไรเพราะท่านมีปัญญาจะหยิบยกขึ้นมาเลี่ยมไหนเรื่องอะไรก็น่าฟังทั้งนั้นแต่ถ้าว่าคนไม่มีปัญญาระลึกไม่ได้่บรรยายไม่ได้ถ้าว่าคนโง่เชอย่างเดียว แต่เลือกอะไรไม่ได้เลยนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราคณะสัตยาติโยมอันนี้ก็คือบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรากระกร่อนก็คือเจ้าฟ้าเจาเ้าแผ่นดินที่พวกเราได้กราบพระอริยะสงฆ์สาวก อ, อกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือเนี่ยท่านปกป้องประเทศชาติรักษาพระพุทธศาสนาปกป้องรักษาแผ่นดินไทยปกป้องพระพุทธศาสนาให้ใสสะอาด ห, หลักธรรมศีลและวินัยของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับจากนั่นก็ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมจนท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลพวกเราก็ได้กราบพระอริยะบุคคลในยุคของสมัยของเราอัฐิธาตุกระดุกอัฐิธาตุกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุเมื่อท่านได้ล่วงลับไปอย่างจริงเหล่านี้ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจยอย่างยิ่งสําหรับพวกเราถ้าเราคิดคิดย้อนดูนะ เนี่ยเสียแต่เราไม่คิดถ้าเราคิดย้อนดูแล้วโอ้น่าภาคภูมิใจหลวงพ่อภูมิใจอย่างมากนะได้มาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่กรูบายอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงปู่ลกาอดีตอธิธฐานของท่านก็เป็นพระธาตุลูกตานี่ยม่ต้องพูดถึงล่ะอจากนั้นกับพ่อแม่ของเราเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณ ก, รกร่อนอันนี้แน่ๆอยู่แล้วที่ท่านเลี้ยงดูเรามา ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่อยู่ในครันท่านรักษาเรามาท่านอยู่ในสภาพไหนสมัยก่อนท่านก็อยู่แบบทุกทุกจนจนหาเช้ากินขําแต่พวกเราก็มาเกิดกับท่านท่านก็ได้ดูแลเราเราก็ได้รับความอารบเย็นเป็นสุขกับคุณพ่อแม่ของพวกเราอันนี้กบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะ ก, รก่อนกตัญญูกตเวทีตา เราจะรำลึกถึงใครก็ติดรำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกเนี่ยนอกจากพ่อแม่ของเราเราจลำลึกถึงพระอุปชาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยมีเป็นผู้ปีอุปการคุณอย่างมากคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าพวกเราไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนอย่างหลวงพ่อไม่ได้หลวงปู่ล่าสอนไม่ได้หลวงตามหาบัวสอนไม่ได้หลวงปู่จามสอน ไม่มีไม่ได้รับการอุปรมจากครูบาอาจารย์รวงพ่อจะรู้จักศีลรู้จักธรรมได้อย่างไรในเมื่อท่านสอนแล้วเราก็นำมาประพฤติธปฏิบัติมากันกลองไตรตรองเหตุและผลที่เราได้ยินได้ฟังนั้นจากนั้นเราก็เดินตามแนวแถวที่ท่านแนะนำสั่งสอนอันนี้ก็เป็นเป็นบุพการีธรรมะพ่อแม่เนี่เป็นบุพการีร่างกายท่านเลี้ยงร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนฝ่าเท้านี่ที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ย ท่านให้ร่างกายแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอุปชาอาจารย์อย่างหลวงตาเนี่ยท่านให้ธรรมะทำอย่างนี้ถูกนะทำอย่างนี้ผิดนะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะควรนั่งสมาธิอย่างนั้นนะทำจิตอย่างนี้ทำใจอย่างนี้นะให้พิจารณาอย่างนี้นะเห็นอันอนนี้อย่งทุกขขังอนัตตาอย่างนี้นะจิตใจให้เบื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างนี้นะจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีก อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวเราก็ได้ยึดแนวแถวนั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เป็นบุพการีของพวกเราคือทางด้านธรรมะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะัาธาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยให้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราไปที่ไหนปามาดไปเรื่อยเข่าเนี่ยละใหญ่ข่านี่เป็นเกิดมาแล้วไม่รู้จักว่าตัวเองมาจากไหนอมาอย่างไรไม่รู้อันนี้แปลว่าพวกเราลืมที่ไปที่มาของตนเองไม่ไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาและท่านตําหนินะอตําหนิที่คนคนที่มีอกตันอยู่ อ่ะกตัญญูแปลว่าไม่รู้จักบุญคุณของผู้ใดอันนั้นแปลว่าไม่ถูกต้องอย่างวันนี้แหละเป็นวันบรณภาพของโยมโยมแม่ของหลวงพอ่อหลวงพ่อก่อนเนี่ยล้ำลึกถึงว่าเออโยมแม่ได้จากไปวันนี้เมื่อหลายปีให้หลังแล้วก็หลวงพ่อเองก็ลำลึกว่าเออบุญกุศลที่ได้ทำมามากน้อยขอให้คุณพอ่อคุณแม่มีส่วน บุญกุศลจากจากหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นจากหลวงพ่อให้พ่อแม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าโดยเทิดในจิตในใจนี่แหละถือ ว, ว่าทําบุญทุกครั้งเราก็ น, น้อมำรำลึกถึงเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีอุปกรณคุณเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่เป็นแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนา ขอให้พวกเราทําอย่างนี้หลวงพ่อะมีแต่ความเจริญทางด้าน จ, จิตใจนึกขึ้นมาเวลาไหนก็ใจสบายใจมีความสุขนะก็พร้อมกันก็อย่าลืมนะอันนี้คือเตือนไว้ว่าอย่าลืมพวกเราอย่าลืมลืมอะไรหลวงพ่อลืมว่าเราแก่เจ็บตายในที่สุดตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เนี่แหละที่พวกเรามาทําวันนี้ก็คือทําคุณงามความดีเหมือนกัน สร้างคุณงามความดีแต่อยากจะให้มากกว่านี้เไม่ใช่ว่าทําบุญปลกุกปลุกผ่านไปเป็นวันวั น, วนปีปีไปไม่ใช่อันนั้นคืคือทําบุญอยู่แต่ว่าถ้าหากว่ามากกว่านั้นหน่อพวกเรากลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ศึกษาธรรมะเอาหนังสือธรรมะของลงตา MP ็มพีสาลงตาเออเรือกเอ็มพีสาลงพอล่อหรือเป็นองค์ไหนก็ได้ที่เป็นธรรมะเราก็ศึกษาจากนั้นก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์ ว่างๆกลางคืนเราจะหลับจะนอนเราก็นั่งภาวนานั่งเหมือนพระประธานพระองค์ดํำพระหินพระหินยกของเราเนี่ยนั่งอย่างนั้นะจากนั้นกน็นหลับตาพุโทโธพุโทโธพุโทพโธนะวันละห้านาทีสิบนาทียี่สิบสามสิบนาทีอันนี้คือบําเพ็ญทางด้านจิตใจเอาพลังเข้าสู่ใจเอาบุญกุศลเข้าสู่ใจ ถ้าคนทำได้อย่างนี้พวกเราทำได้อย่างนี้จิตใจเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งเราเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจเนี่ยร่างกายก็เหมือนพวกเราเห็นตั้งแต่หัวจดเท้านี่คือร่างกายส่วนจิตใจคือนามธรรมน่ะคือตัวผู้รู้นะ่ะมาอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดันว่าใจนั่นแหละพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นให้ทําใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจอาศัยกันอยู่ความดีความชั่วนใจเท่านั้นแหละเป็นเป็นใหญ่ท่านจึงยกเป็นบาลีว่ามะโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายานเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ เพานหลักของพุทธศาสนาในท่านเน้นเรื่องของใจเป็นเป็นสําคัญแต่เรื่องร่างกายในเป็นวิบากท่านว่าั้นนะเพราะฉนั้นพวกเราเมื่อนั่งภาวนาแล้วพวกเราจะรู้ได้โดยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันผู้ที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นใจนี่พอจิตสงบนิ่งเราจะรู้ชัดเลยเที น, นีออ้ใจเท่าเองจะพาไปเกิดเพราะเพราะเหตุนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านนั่งภาวนาในป่าดงพงไพถึงยังไงก็เถอะพระกรรมาฐานเท่าท่านผู้ใดก็ตามถ้าทักนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วผู้นั้นจะเชื่อมั่นในตนเองว่าโอ้ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรสิ่งที่ให้เกิดนี่คือคือใจคือวิญญาณดวงนี้แหละพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆพอออกจากที่นี่แล้วถ้าเรามีบาปมีกรรมเราก็ไปสิงเขาเนีหมูหมากาไก่ไปเรื่อย ถ้าเรามีบาปนะถ้าเรามีบุญใจตรงนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรมไปเรื่อยหรือไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีไปถ้าเรามีบุญถ้าเราคนมีบาปแล้วก็ไปสุดแท้แต่กรรมกรรมชั่วจะพาไปเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะลูกหลานทุกคนวันนี้เป็นวันปีใหม่ขึ้นปีใหม่วันที่14เมษาเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาทําบุญ มาจากจารตุรทิศมาหลักจากหลายแห่งหลายหนหลวงพ่อก็ได้ปรับธรรมะแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพวกเราจะได้ตันไก่กันตรองไตรตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้กล่าวไปพันการไปหาครูบาอาจารย์ไปตามวัดต่างต่าแต่เราต้องไปสังเกตต้องไปฟังสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบอย่างที่หลวงพ่อนะพูดภาวนามยะปัญญาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าอะไรคืออะไร น, ะนี่แหละอันนี้สงแห่งการฟังธรรม ฟังธทมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบันเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วจิตของเราก็จะได้รับความพองใสนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านตรัสไว้แล้วท่านบอกไว้แล้วท่านแนะนาไว้แล้ว แต่พวกเรานํามาพูดก็เป็นที่เข้าใจเออใช่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยถูกต้องนะเพราะนั้นขอพวกเราไปณนะสถานที่ใดให้ศึกษาการศึกษาเนี่แหละเป็นแนวทางเหมือนกับศึกษาแผนที่นั่นแหะต่อไปแล้วก็เดินมิแต่ศึกษาเฉยเฉยไม่ปฏิบัติตามไม่ไดเ้เหมือนกับเราดูแผนที่ดูเท่าไรก็ไม่ไปถึงไหนถ้าเราดูแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเออท่านสอนให้ไหวพระเอาไหวพระ ท่านสอนให้นั่งภาวนาออ่นั่งภาวนาท่านสอนทำยงจิตใจจึงจะสงบเราก็ น, นั่งภาวนาจิตใจให้สงบนี่แหละเราเดินตามแผนที่เลยอีกสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุกทางด้านจิตใจนะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรณตี น, นี้นาะ